ตั้งใจแบบนี้เรามาพร้อมเพียงกันบ้างไม่พร้อมเพียงกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้ใดอืดอายดยืดหยติผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตั้งใจคนไม่ตั้งใจทําอะไรก็ไม่สำเร็จ อันนี้ก็นับว่าเป็นคุณธรรมอันหนึ่งนะจําเอาไว้ทำอะไรลงแล้วมันต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่เช่นนั้นมันจึงสำเร็จประโยชน์ลงได้ถ้าไปทำใจลอยๆไปแล้วไม่ตั้งใจลงไปจริงจังแล้วมันกระบกพร่องเลยนะการงานต่างๆ มันรุ่ล่วงไปไม่ได้เช่นรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่ตั้งใจสังวรจริงๆศีลก็บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นางนั้นการทาสมาธิภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ตั้งใจลงจริงๆจิตจะสงบไม่ได้เลย ตั้งใจก็หมายถึงตั้งสตินั่นเองแหละตั้งสติกำหนดใจตัวเองว่าให้มันเป็นปกติอยู่ไม่ให้มันหวันไหวไปตามเรื่องต่างๆที่มันผ่านมาทางตาทางหูเป็นต้นเมื่อนี้นะเรามีสติควบคุมจิตไว้อย่าให้มันวันไหวไปตามเรื่องต่างๆ จะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามลนะ่ะเราต้องทำจิตให้เป็นกลางอยู่ให้ได้นี่การฝึกตนมันต้องอย่างนี้ในเรื่องสมาธินั่นเราเรียนหนังสือนักกววาดนะเราก็รู้กันอยู่ไม่ใช่เหรอสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่น แต่มันจำลวกๆไปเฉยๆเนีมันไม่ได้คิดตรองให้ละเอียดผู้ศึกษาส่วนมากเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าศึกษาไปแล้วพิจารณาตามไปมันก็รู้ความหมายได้ถ้ารู้ความหมายได้ก็พยายามทำใจให้มั่นสิบน่บบนี้นั่นแหละถ้าเมื่อเราพยายามทำใจให้มั่นมันก็ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่เลื่อยไปไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิสงบจิตอยู่เวลานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาไม่นั่งสมาธิจิตก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นนี่การฝึกจิตมันต้องอย่างนั้นให้เข้าใจความหมายอย่างนั้น เมื่อเข้าใจความหมายแล้วต่อจากนั้นเราก็มีสติอยู่เรื่อยไปคอยควบคุมจิตตัวเองอยู่เสมอไปถ้าว่ามันเผลอวันไหวอย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่อธิษฐานใจใหม่าต่อไปเราจะไม่วันไหวอย่างนี้นะถ้าว่าผู้ใดเมื่อ เผลอไปแล้วจิตใจวันไหวไปแล้วก็ปล่อยให้มันวันไหวไปเรื่อยไม่รู้ตัวไม่อธิษฐานใจอย่างนี้มันก็วันไหวไปเรื่อยๆแหละที่นี่นะนั่นเองนันเป็นอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฝึกใจตัวเองแบบนั้นนะถ้าผู้ที่ตั้งใจฝึกตัวเองจริงๆแล้วก็อย่างว่านั่นแหละเมื่อทนเผลอไป ก็รู้ว่าตนเผลออย่างนี้นะตั้งสติไหมอธิษฐานไหมเราต่อไปเราจะไม่เผลอเราจะตั้งสติสัมรวมจิตให้มัน่นอยู่ในความดีเราจะตั้งสติให้มั่นอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมารมณ์จะพยายามกำหนดรู้อาการทั้งสี่นี้อยู่ นี่สติปัฏฐานสี่นี่ก็อย่าไปลืมอย่าประมาทตรงมันตรวจตราให้แจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเมื่ออย่างนั้นมันก็ลืมแหละเมื่อมันลืมแล้วมันก็หว่นไว้ที่เช่นอย่างว่าเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอย่างนี้นะอแทนที่จะนึกว่าอ้าวเวทนานี่ก็สกว่ัดเวทนา ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามันนึกไม่ได้เลยคนหลงนั่นน่ะถ้ามีตะวันไว้มีแต่ดิ้นลนไปตามทุกเวทนานั้นนั้นออย่างนี้แหละท่านเรียกว่าขาดการสำรวมจิตขาดสติสัมปชัญญะเมื่อถึงคราว คับขันมาอย่างนั้นนึกไม่ได้นึกถึงความจริงไม่ได้ออการอบรมจิตใจมันก็ใช้ไม่ได้แบบนั้นนะออไม่ได้ผลถ้ามันจะได้ผลเราก็สันนิฐานตัวเองได้จะไปให้คนอื่นนั้นคอยเตือนคอยว่าอยู่ ไ, ไม่ได้ดอกไม่ได้ทุกคนมันต้องเตือนตัวเองแล้วต้องสันนิฐานตัวเอง ว่าตนเองนั่นมีสติประธานอยู่หรือไม่อตอนได้เจริญสติประฐานอยู่หรือไม่นั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องกําหนดรู้เรื่องของตัวเองเช<อ>่น <Lynn. S 2> ตนได้กําหนดเพ่งร่างกายนี้อยู่หรือไม่อย่างนี้นะตนได้กําหนดเพ่งเวทนาอยู่หรือไม่อตนได้กําหนดเพ่งจิตนี้อยู่หรือไม่ จนได้กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งธรรมารมที่เกิดกับใจอยู่หรือไม่นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงกำหนดตัวเองกำหนดรู้เรื่องของตัวเองถ้ารู้ว่าตนนั้นระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างได้กำหนดรู้บ้างไม่ได้กำหนดรู้บ้าง เต่นี้ก็รู้ตัวพอรู้ตัวอย่างนั้นก็พยายามกำหนดรู้ในอาการทั้งสีน่นี้ให้ติดต่อกันไปกว่านั้นอีกว่านี้ให้ที่เข้าไปกว่านั้นอย่าให้มันห่างยืนเดินนั่งนอนอะไรตอนอไรก็ให้กำหนดรู้อาการของร่างกายนี่ทำเป็นจริงอยู่อย่างนั้น กำหนดรู้เวทนาทั้งสามประการนั้นให้เห็นตามเป็นจริงอยู่เช่นนั้ น, นกำหนดรู้จิตตัวเองนั่นเลยว่าจิตนี่นะก็สึกว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนอะไระนี่ถ้าว่าโดยปรมาทธรรมแล้วไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วมันก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละว่ากันไปพอให้รู้ว่าจิตของตน แต่ถ้าเพ่งเข้าถึงปรมา ธ, ธรรมแล้วไม่ใช่จิตของตนมันมีอันเดียวเมื่อมีอันเดียวแล้วมันก็ไม่มีของใครเลยมันก็นยังว่าอันเดียวมันจะเป็นของใครอยู่นั้นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตนี้ก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาของมีอันเดียว เมื่อกำหนดรู้อย่างนี้ถึงจิตนี่มันจะได้รับรู้สุขทุกข์อะไรต่ออะไรมันก็ไม่เดือดร้อนไม่วันไวเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาอะไรนี่แหละเราต้องฝึกพยายามให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นธรรมารมที่เกิดกับใจก็เหมือนกัน แต่คนเรามันก็หลงความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นส่วนมากตนคิดอะไรไปแล้วนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงจังเลยเช่นี่ถ้าความคิดอันจะเกิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียใจเอาก็เสียใจไปถ้าความคิดบางอย่างที่ให้เกิดความดีใจความเพลิดเพลินก็ดีอกดีใจเพลิดเพลินมัวเมาไป นี่เรียกว่ามันมันหลงความคิดของตัวเองอันนี้สําคัญนะเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมารมธรรมารมมันเป็นคู่กับจิตมันเกิดขึ้นกับจิตจิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นแต่จิตเองก็ไม่รู้เท่าอารมณ์ที่ตนคิดขึ้นอ่ามันถึงได้หลงยินดียินร้ายไป หลงเสียใจเศร้าโศกไปต่งตางๆ น, น, นะนะหลงกโกรธเกลียดใครต่อใครอะไรไปเรื่อยๆสารพัดแต่มันจะแปลไปเมื่อมันหลงตัวเองแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้ตัวเองอยู่รู้ความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิตอยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป คิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นความคิดทั้งหลายนะถ้าเห็นความคิดทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันก็จะไปวันไหวไปตามมันทําไมอะ่ะเพราะมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของเที่ยงยั่งยืนเลยนีแต่คิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ช่างมันเอมันมีแต่มันดับไปอยู่อย่างนั้นอแต่ถ้าว่าจิตไปยึดถือเอาไว้แล้ว มันจะไม่ดับนะประนี้นนะมันจะหมายเอาไว้อยู่อย่างนั้นแต่มันถ้าพูดถึงความตาความเป็นจริงแล้วมันก็ดับไปของเรื่องมันแต่ว่าจิตใจนั่นที่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมวางไปตามสภาพของมันยั่งไปสาคัญว่ามันมีตัวมีตนอยู่ในนั้นเลยเรีย ว, ว่ามีตัวมีตนอยู่ในความคิดอันนั้นนะมีดีมีชั่วอยู่ในความคิดอันนั้นนะ มันหลงอยู่ตรงนี้แหละให้พากันสันนิษฐานดูให้ดี <S <S ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะแก่กล้าหรือถี่ท่วนเข้าไปแล้วมันก็รู้เท่าทันความคิดอันนี้แล้วก็ไม่วันไหวไปตามนี่ความคิดอะไรที่มันเป็นบาปอากุศลรู้แล้วก็ไม่คิดมันต่อไป ธรรมดานะผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่นะอันกิเลสนั่นแหละมันปั่นจิตให้คิดเป็นอกุศลขึ้นมาทีานี้ถ้าหากว่าสติมันกําหนดรู้ได้ว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกูโสมันก็กําหนดละกันไปเตือนตนเองเข้าไปเราจะไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปนะ เพราะความคิดชนี้มันเป็นบปาปอกุศลนี่เมื่อมีสติรู้ทันอย่างนี้นะมันก็เตือนตนอย่างนี้พอเตือนตนไปมันก็รู้ตัวว่านี้นะรู้ว่าควา ม, มคิดเชะนั้นมันเป็นบาปมันก็ไม่คิดขึ้นมาอีกต่อไปแต่ถ้าว่าไม่มีสติเตือนตนอย่างนั้นนี่มันจกไม่คิดมันจกไม่หยุดคิดนะค <bible. S 1> เมื่อไม่มีสติเตือนตนอย่างนั้น เผอเอแล้วมันก็คิดทางอากุศลขึ้นมาอีกแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเตือนตนไปเรื่อยๆอันตนที่จะละความคิดอันเป็นบาปอากุศลได้ก็เพราะว่าเตือนตนบ่อยๆนี่เองเนะี่ยให้พากันเข้าใจถ้าหาว่าไม่เตือนตนอย่างนี้มันก็จะยึดเอา เหตุแทงบาปอากุศลไว้ในใจอยู่นั้นบาปอากุศลก็จะไม่ระ ง, งับจากขิตใจได้นี่วิธีละบาปให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วบาปมันก็จะหมดไปเองมันอย่างนี้ไม่ใช่นะมันไม่หมดอ่ะมันไม่หมดก็เมื่อมันยังคิดเป็นบาปขึ้นมา เช่นมันโกรธใครขึ้นมาแล้วมันคิดอยากแกะตบจะตีอยากแกะฆ่าหรืออะไรเหมือนแบบนี้ถ้ามันคิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยความคิดอันนั้นแหละเรียกว่ามันเป็นอกุศล น, นะนั่นแหละถ้ามันเกิดรักใคร่ใครขึ้นมาแล้วมันอยากได้เอออย่างนี้มันก็เป็นความคิดที่เป็นอกุศลเหมือนกันนะนั่นแหละสําหรับผู้ประพฤติทำขั้นสูงขึ้นไปนะ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในภาวะแห่งความเป็นปุถุชนผู้ยังหนาพป้วยกิเลสอยู่นั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเรื่องรักเรื่องชังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เก้าร่วงจากกิเลสเหล่านี้แล้วต้องถือว่ามันเป็นอกุสลกรรม มันถึงจะได้เบื่อหน่ายความคิดอย่างนี้แล้วมันก็ได้กาหนดละกันไปให้พึ่งพาการติดตามความคิดความนึกของตัวเองให้ได้จะไปให้ใครติดตามให้ไม่ได้นะความคิดความนึกความคิดความเห็นของใครใครก็ย่อมรู้เองแหละต้องสันนิษฐานเองว่า ความคิดความเห็นของตนนะ่ะมันตรงต่อธรรมต่อวินัยหรือไม่หรือไม่ตรงเราต้องเอาเทียบกันดูออย่างนั้นนะเมื่อเทียบกันดูนก็รู้ได้ถ้าพูดถึงว่าทำอันละเอียดอย่างนี้นะเพียงแต่วิตกขึ้นไปยินดีนิดหน่อยเท่านี้มันก็เป็นกิเลสแล้ว ทำวิตกงิน้ายนิดหน่อยอย่างนี้ก็เป็นกิเลสแล้วไม่ถึงกับมากหรอก <c oughs> สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ให้ละเอียดให้ถี่ท่ทวนเข้าไปผู้ที่ยังงาบอยู่นั่นะจนคิดเรื่องบาปอากุศลต่างๆขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตนคิดเป็นบาปหรือว่าเป็นกิเลสก็คิดอยู่ร่ำไปอย่างนั้นนะ เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้สันนิษฐานดูกิริยาจิตของตัวเองทุกคนว่าความคิดของตวเนี่ยมันหยาบหรือมันอย่างกลางหรือมันละเอียดอย่างไรคิดเป็นบุญก็ดีคิดเป็นบาปก็ดีทุกคนย่อมรู้เรื่องของตัวเองได้นั่นเอง <c oughs> ถ้าหาก็ไม่รู้แจ้งในความคิดของตัวเองแล้วมันก็ละบาปไม่ได้ดังกล่าวมานั่นแหละแล้วก็ทำบุญไม่ได้เพราะตนคิดเป็นบุญมาก็ไม่รู้ว่าตนคิดเป็นบุญอย่างนี้นะมันจะทำบุญได้อย่างไรนนบุคคลจะทำบุญได้นั้นมันต้องรู้เรื่องตัวเองว่าจิตของตอนคิดขึ้นอยู่ขนาดนี้มันคิดไปในทางบุญกุศลคิดที่จะทาประโยชน์ตนและผู้อื่น อย่างนี้นะก็รู้ตัวอพอ ร, รู้ตัวได้อย่างนี้ก็ลงมือทําได้เลยแบบนี้อความคิดลงไปว่าเราจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้าง <c oughs> อย่างนี้เราก็นับว่า <c oughs> การปฏิบัติของผู้นั้นก็มีทางที่จะก้าวหน้าไปได้ นี่แหละให้พึ่งพากันเพิกสติตัมปปัจญัยนี่ให้มันที่ท่วนเดินไปอย่างนี้ก็กำหนดรู้ตัวไปกำหนดรู้จิตใจตัวเองไปว่าจิตของตัวในขณนะนี้มันเป็นอย่างไรจิตนี้มันเป็นอย่างไรในขณะ น, นี้มันเป็นปกติรู้ปกติเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา มันเห็นอยู่อย่างนี้ไหมนั่นแหละต้องกำหนดรู้ไปแต่ความจริงเจ้าพรายามกาหนดให้รู้ให้เห็นอย่างนี้เรื่อยไปเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีต้องให้กำหนดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปร่วนวแจกดับไปไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอะไร คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้มันหมายถึงสิ่งที่มันปรากฏเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดด้วยจ ม, มูกได้รับรู้ด้วยริ้นได้สัมผัสด้วยร่างกายได้รับรู้ทางจิตใจ <c oughs> อย่างนี้นะรวมเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทางนั้นแหละทันนมูนี้นะ อันที่มันจะเกิดเป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นมามันก็มาจากนี่ละก่อนนะมาจากเช่นตาเห็นรูปอย่างนี้นะตาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความอยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วก็จิตก็เพ่งเล็งไปใส่รูปนั้นอย่างนี้นะไม่หยุดไม่ยัง้ง อย่างนี้เมื่อระ ง, งับจิตนะไม่ได้มันก็ต้องไปสแสวงหาเอาสิ่งที่ต้องการนั้นโดยถ้าถ้าสแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้มันก็สแสวงหาทางทุจริตอย่างใดอย่างหนึง่งทางทุจริตหมายความว่าผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรม อ, อย่างนี้ลราเรียกว่าทางทุจริต นี่ความโลภโกรธหลงน่ะมันมีมูลเหตุเกิดมาจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกระทั่งกันเข้าจิตไม่รู้เท่ามันก็เลยเกิดเป็นความโลภ ค, ความโกรธความหลงขึ้นมานี่นะเราภาวนาแล้วก็ต้องอ่านดูให้มันรู้ไม่ใช่จะฟังแต่เพื่อนพูดได้ฟังแล้วเลี้ยวไปเลย แล้วตนเองไม่ได้ไปคิดอ่านพิจณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเช่นนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยจากการฟังนะถ้าว่าฟังแล้วเอาไปคิดไปตรองเห็นตามที่ท่านแสดงไปนั้นอย่างนี้มันก็จะทำความรู้เท่าเลยวันนี้พยายามทำความรู้เท่าตารู้เท่ารูปรู้เท่าวิญญาณความรู้สึกทางตานั้น รู้อย่างไรก็รู้ว่าเห็นรูปก็สักแต่วัยเห็นอหูอย่างนี้ฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเป็นต้นเหล่านี้นะ <c oughs> สักแต่ว่าทั้งนั้นแหละมันไม่มีเขามีเราอะไรอยู่ในนั้นเลยความรู้สึกต่างๆวันนี้นะมันก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอะไรเลยเนี่ยเราพยายามหัดให้ทําความรู้เท่า สิ่งที่ได้เห็นด้วยตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นพยายามทำความรู้เท่าเสมอเสมอไปอย่าให้จิตมันหวันไว้ไปด้วยความยินดียินร้ายให้เห็นสักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยให้มันรู้ให้มันเห็นอยู่นี่เรื่อยไปอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าผู้ใดได้ฝึ ก, กจิตใจให้มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็อจิตใจมันก็จะไม่ได้สร้างกิเลสขึ้นมาเอไม่ได้สร้างความโรคไม่ได้สร้างความโกรธไม่สร้างความหลงขึ้นมาครอบงําตัวเองเออทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเฉย เช่นตาเห็นรูปอย่างนี้เมื่อจิตนี่ไม่ถือมั่นในรูปนั้นแล้วมันก็กลายเป็นอดีตไปรูปนั้นนะวิญญาณความรู้สึกในรูปนั้นมันก็เป็นอดีตไปเหมือนกันนะมันก็ล่วงไปแล้ว อ, อย่างนี้หลยแต่ถ้าหากว่าจิตใจยังไปผูกพันอยู่กับรูปนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอดีตนะพอนี่มันจ มันจากน้อมเอารูปนั่นมาวิตกวิจารย์ในปัจจุบันนี้แล้วบะนี้เอมันก่อให้เกิดกิเลสดังกล่าวมานั่งขึ้นได้เลยบะนี้แต่ถ้าสติเข้มแข็งแล้วกําหนดรู้ห้ามจิตใจตัวเองไม่วิตกไปในรูปต่างๆเป็นต้นดังกล่าวมานั้นอรูปนั่นมันก็เลยดับไปเป็นอดีตไปเลยบะนี้มันไม่ได้มาปรากฏอยู่ในจิตอันเป็นปัจจุบันนี้ จิตอันเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นปกติอยู่ปกติรูปปกติเห็นอื hmm. เห็นปกติรู้อะไรรู้รู้ความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมูนั่นแหละความจริงของมันเป็นอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นอยู่นั่น hmm. แล้วก็ตามรู้ตามเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ไปพร้อมๆกัน ภายในชั้นใดภายนอกก็ชั้นนั้นจะเป็นรูปหยาบหรือรูปปานกลางก็ดีหรือว่ารูปรละเอียดก็ดีมันก็มีสภาวะอย่างเดียวกัน <c oughs> มีเกิดขึ้นแล้วก็แปลควุนแตกลับไปเหมือนกันหมดทั้งที่รูปรละเอียดรูปหยาบอะไรมันก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเลยนี่ <c oughs> นี่แหละการปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยเพราะว่าจิตใจนี่มันยังได้มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้อยู่ที น, นี้ถ้าหาว่าไม่ฝึกจิตนี้ให้ฉลาดแล้วไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายไม่รู้แจ้งในสิ่งที่เนื่องอยู่กับร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้วจิตนี้มันก็คล้องอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เลย เนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ว่าคนตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยเอมั่นก็เนื่องมาจกนั่นแหลอะอตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะจิตใจมันถึงได้ไปคล้องอยู่เพราะมันสําคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นเขาเป็นของของเขาสําคัญว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งน่ารักน่าใคร่น่าพอใจลเลยเอาใจไปผูกพันกับสิ่งนั้นๆอยู่เมื่อเวลาชวนจะตายก็ยังคงไม่ตกวางไม่ลงอย่างนี้นะตายแล้วมันก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าของสิ่งที่ตนรักอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> วนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าไปรักกับบุคคลอย่างนี้นะออวนเวียนไปมาก็ไปเข้าท้องคนเข้าไปอีกออไปเกิดกับคนอีกอย่างนี้แหละนี่พูดถึงว่าบุคคลผู้ไม่มีบาปหลายนั่นนี่นะถ้าผู้มีบาปหลายแล้วไม่ได้วนเวียนอยู่นะยในโลกอันนี้ดอกบาปกรรมมันฉุดคล่าไปสู่ สเสวยทุกทนทรมานตามอำนาจแห่งบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นกระทาในความเป็นตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยออนั่นแหละไอ้ที่มันเป็นเปรตเป็นผีอะไรอยู่นี่บุคคลผู้นั้นไม่ได้ทาบาปมากเพียงแต่จิตมันเกาะมันคล้องอยู่เท่านั้นแล้วมันถึงไม่ได้ไปสู่นรกก่อน มันก็ต้องเป็นเปลดวนเวียนอยู่ตามสิ่งที่ตนหวงแหนตนผูกพันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละทางที่จะให้พ้นจากโลกอันนี้ไปได้นะเพราะพระ เ, เจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝพกสติธรรมะเชญญามาเพ่งพิจารณาดูอัจภาพร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ย <c oughs> เมื่อเห็นแจ้งในร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็เห็นแจ้งในรูปอื่นกายอื่นเหมือนกันเพราะมันมีสภาวะอย่างเดียวกันมีธาตุอย่างเดียวกันไม่ใช่แตกต่างกันนอกจากมนุษย์แล้วแม่สัตว์ดิเรกชนมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันตลอดถึงเทวดาก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกัน สัตว์นรกก็เหมือนกันออต่างแต่ว่าได้รับทุก ท, ทรมานมากประกอบรูปร่างอันนั้นขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วบาป ก, กรรมนั้นยังฉุดค่าไปทนทุกทรมานอยู่ในนรกอีกด้วยส่วนผู้มีบุญแล้วเอาบุญกุศลก็ตกแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมให้ดวงกิดนิดได้อาศัยอย่างประนีบรรจอ นี่อำนาจของบุญตกแต่งให้อันนี้นะมันแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แจ้งต้องรู้เท่าแม้ว่าบุญกรรมจะตกแต่งธาตุสี่ทินน้ำไฟลมอันละเอียดปานนี้ถ้าอยู่อาศัยมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่เหมือนกันเลย เฉพาะธาตุอันละเอียดประนีตเหล่านั้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยคือบุญกุศลบุญกุศลนี่มันก็เป็นสังขารธรรมท่านเรียกว่าปุญญาที่สังขารบรรดาสังขารทั้งหลายย่อมเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้น เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดังกล่าวมานี่เนะี่ยแล้วจิตนี้มันก็จะไม่ได้ติดในข้องอยู่ในโลกนี้และในโลกหน้าอทั้งโลกนี้และโลกหน้านั่นแหละก็จะเป็นหนทางให้ถึงซึ่งวิมุตต์คือหลุดพ้น จากโลกนี้โลกหน้าไปทั้งหมดเลยที่ท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทมอยู่เหนือโลกนี่แหละการฝึกขนอบรมจิตใจในทางพุทธศาสนานี่นะให้พากันเข้าใจเราฝึกเพื่อที่จะหนีจากโลกนี้นะไม่ใช่ฝึกเพื่ออยู่โลกอยู่ในโลกอันนี้ โลกอันนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายดังที่เราเกิดมาในชาตินี้ทุกคนก็คงได้สัมผัสกับโลกอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ในฐานะที่มาเป็นนักบวชอยู่ในวัดวาอารา ม, มเฉยๆนะจึงไม่ได้ประสบกับความวุ่นวายเท่าไหร่นักแต่ถ้าไปคลองเรือนน่ะไปอยู่ตั้งแต่มันจะวุ่นวาย ขัดข้องอะไรต่ออะไรเรื่องของคนมีกิเลสต่างคนต่างมีกิเลสใครมีกิเลสอย่างไรใครตกเป็นทาสของกิเลสชนิดไหนมันก็แสดงความคิดความเห็นไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนั้นออถ้าใครแสดงบทบาทอะไรออกมาขัดกับกิเลสของตอนเองแล้วก็ไม่ยอมออไม่ยอมตามเลย นั่นมูลเหตุที่จะให้มนุษย์เรามันทะเลาะกันเบียดเบียนกันหาความสงบสุขไม่ได้อย่างนี้แหละความเป็นผู้ไม่ฝึกฝนจิตใจของตนเองให้รู้แจ้งในโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่ยุ่งเหยิงมีแต่วุ่นวาย <c oughs> ดังนั้นแหละ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายมองดูโลกอันนี้ด้วยอำนาจแห่งศีลด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแ ห, ห่งปัญญาเออมองดูโลกนี้ด้วยอานาจแห่งศีลหมายความว่าเมื่อบุคคลใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ผู้นั้นย่อมสงบระงับจากเวรจากภัย <c oughs> แม้นว่าจะอยู่ในกลุ่มคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างไรก็ตามแต่ผู้มีศีลก็ย่อมสงบระงับอยู่ได้เออเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนใครเลยนี่แหละเรียกว่าเรามองดูโลกนี้ด้วยอํานาจแหง่งศีลนะมองดูโลกนี้ด้วยอํานาจแห่งสมาธิ เมื่อบุคคลใดมาทำใจให้สงบประงับลงไปแนละ้วอย่างนี้มองดูโลกอันนี้มันก็เห็นตามความเป็นจริงได้เห็นความไม่เที่ยงความเกิดความดับของโลกนี่ตามเป็นจริงได้ไม่ได้หลงสาคัญว่าเป็นของเที่ยงของอยั่งยืนไม่ได้สำคัญว่าเป็นความสุขการได้สัมผัสอยู่กับโลกอันนี้นะ ก็มันจะเป็นสุขได้อย่างไรในเมื่อมันไม่เที่ยงนี่แหละคิดดูให้ดีถ้าหากว่ามันเที่ยงมันก็จะเป็นสุขแหละเราอาศัยโลกอันนี้อยู่นะแต่นี้มันไม่เที่ยงมันวันไว้ไปมาอยู่อย่างนั้นมันกระทบกระทั่งกับดวงจิดนี่อยู่ร่างกายอันนี้นะประเดี๋ยวก็ร้อนประเดี๋ยวก็หนาวื่อเดี๋ยวก็เจ็บโน้นปวดนี้ อะไรต่ออะไรมันทั้งมีอยู่อย่างนั้นแล้วจะให้มันมีความสุขได้อย่างไร <c oughs> ดังนั้นเนี่ยพระศาสดาเจตทรงสอนให้พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้จนว่ามันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นเนี่ยเบื่อหน่ายในทุกหมายความว่างั้น เมื่อเมื่อจิตนี่มารู้ตัวว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงตนถึงได้เป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ทำอย่างไรก็ปรึกษากับตัวเองนะเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรเราถึงเกบพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ก็ น, นึกถึงคำสอนของพระศาสดานั่นเองท่านว่าเป็นคำ โพรงไว้ว่าบุคคลอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าหมายโลกในแง่ดีจิตตกไปในสมูทัยให้เกิดทุกข์เมื่อจิตอยู่เมื่อจิตหยุดอยู่ก็ยอมรู้นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อจิตมันหยุดนิ่งอยู่ได้แล้วนะ ผู้นั้นก็รู้ตัวได้ว่ามีความสุขไม่มีทุกข์ในขนาดนั้น่ะในขณะที่จิตมันหยุดนิ่งอยู่นั้นมันเป็นกลางนี่มันไม่ได้เอียงไปข้างรักมันไม่ได้เอียงไปข้างชังนั่นแหละอย่ามองโลกในแง่ร้ายหมายความว่าแม้ว่าใครจะทาชั่ว ใครจะแสดงบทบาทชั่วร้ายยังไงออกมาตนก็จะไม่รังเกียจเดียดฉันเพราะเรื่องชั่วร้ายต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการ์เพียงแค่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่คงทีนี่ไม่มีตัวตนอะไรนี่เมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนชั่วร้าย เห็นแต่เพียงว่าสังขารมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นแหละไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะ <c oughs> อันนี้แหละที่ว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะอย่าหมายโลกในแง่ดีแม่คนผู้นั้นแหละจะเป็นคนดีโรคเขายกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แต่เมื่อได้เพ่งดูในทางปรมมัทธธรรมแล้ว จะว่าดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่มันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองนะหมายความว่าความดีเหล่านั้นมันไม่ใช่ยั่งยืนอะไรเลยมันก็ดีไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะ เ, เนี่ยที่ที่นักปราชญาท่านกล่าวว่าอย่าหมายโลกในแง่ดี ก็เพราะคนเรามันไปไปหมายโลกในแง่ดีมันถึงติดอยู่ในโลกนี้ถ้าไปมองคนใดคนหนึ่งเขาว่าคนนี้ดีนะคนนี้สวยหนะ้าอย่างนี้น ะ, ะเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วใจก็ไปผูกพันอยู่กับคนคนนั้นนะนี่เรียกว่าหมายโลกในแง่ดีมันก็เป็นเหตุให้ติดสิบะเนี่ยเป็นเหตุให้คล้องแหละเออ ในนั้นเราต้องฝึ ก, กจิตใจนี่ให้มันฉลาดให้มันรู้ความจริงของรูปต่างๆในโลกอันนี้ทั้งรูปหยาบทั้งรูปปานกลางทั้งรูปละเอียดประนิดบรรจงอย่างไรก็ตามมันก็มีสภาวะเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเมื่อมันหมดเหตุ ป, จปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปเหมือนกันหมดเลยรูปต่างๆดังกล่าวมานั้นนะ <c oughs> น, นี้จิตตกไปในสมูทัยให้เกิดทุกข์ก็หมายความว่าเมื่อโลกเขาสมมติว่ารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ดีสวยงามน่ารักน่ายินดี <c oughs> ตนก็ไปหลงไปตามสมมติของโลกนั้นเสียหลงยินดีพอใจสแสวงหา สิ่งที่โลกเขาสมมติว่าสวยงามน่ารักนั่นเอาเมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็ดีอบวีใจเอาเมื่อของที่ตนรักนั่นแหละมาวิบัติพลัดพลากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อแสวงหาของรักของเจาะใจนั้นไม่ได้ก็เป็นทุกขโทมนัส จะเรียกว่าเมื่อจิตตกไปในสมูทัยให้เกิดทุกข์นะหมายความว่าจิตหลงสมมุติแล้วก็เป็นทุกข์แน่นอนเลยทีเดียวอ่าเป็นอย่างนั้นมานี่ถ้าว่าตาเห็นรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละจิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันกำหนดรูแจ้งในรูปนั้นตามเป็นจริง แล้วไม่วันไหวจิตก็ไม่เป็นทุกข์กับรูปนั้นเลยเอนี่แหละที่ท่านว่าเมื่อจิตหยุดอยู่ก็ย่อมรู้นิโรธคือรู้ว่าทุกข์มันดับไปเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็ดับไปแล้วเพราะจิตไม่ยึดถือเอาไม่ยึดถือเอาอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความยินดียินร้ายต่างๆนั้นนะเอจิตไม่ยึดถือเอาแล้ว อารมณ์นั้นก be like so ็ดับไปเมื่ออารมณ์นั้นดับไปทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในใจนั้นจิตก็เป็นปกติอยู่ตามธรรมดาเพราะฉะนั้นแหละเมื่อพากันได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี่แล้ว ก็ให้พึ่งพากันตั้งความภาคเพียรพยายามลงไปอย่าไปท้อไปถอยม <c oughs> ันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้การฝึกฝนอารมจิตใจนี่ใครก็ช่วยใครไม่ได้เลย <c oughs> ทุกคนต้องช่วยตัวเอง ถ้าตนเองช่วยตนเองไม่ได้แล้วก็เป็นนั้นว่าไม่มีใครช่วยได้เลยอันผู้อื่นเพื่อนก็เป็นแต่ผู้บอกอุบายให้ดังที่กำลังบอกกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของผู้นั้นเองแต่ถ้าผู้ใดลงมือปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะสามารถดับทุกข์ทางใจได้จริงๆเลยเพราะว่าใจจะเป็นทุกข์เนี่ยกับเพราะว่ามันไม่ส ง, งบมันไม่ตั้งมัน่นดังที่ปาลารบมาแต่ตอนต้นนั่นแหละวันนี้เรามาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นลงไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา เหมือนอย่างที่เรามองวัตถุสิ่งของด้วยด้วยตานี่นะถ้าเราจะเห็นสิ่งของใดชัดเจนได้เราต้องจ้องสายตาไปดูแต่วัตถุอันนันอย่างเดียวเลยเราไม่เกราะตาไปทางนน้นทางนี้อะไรเลยอย่างนี้นะเราจ้องสายตาดูแต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวยนี่มันก็เห็นสิ่งนั้นชัดเจนเลยทีเดียวอย่างนี้แหละ แต่ถ้าเราเหลียววกเหลียวแวกไปทางโน้นทางนี้อยู่เนี่ยจะไม่เห็นรูปอันนั้นได้ชัดเจนเลย <c oughs> อันนี้ชั้นใจก็อย่างนั้นแหละตาในคือตาใจนี่เมื่อเราสามารถห้ามจิตนี้ให้สงบนิ่งอยู่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วอย่างนี้อันตาใจนี่มันก็มองเห็น ทีแรกมันก็มองเห็นร่างกายนี่แหละตามเป็นจริงได้เลยเพราะมันมองเห็นร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็มองเห็นสิ่งที่อยู่นอกร่างกายนี้ออกไปตามเป็นจริงได้เหมือนกันนะอมันเป็นยังไนเพราะว่ามันมีสภาวธาตมอย่างเดียวกันดังที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละ <c oughs> มันไม่แตกต่างอะไรกันนะบรรดารูปวัตถุทั้งหลายนี่ ก็ย่อมปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าเป็นรูปที่มีวิญญาณคลองก็เพิ่มธาตุเข้าไปอีกสองคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเต่ถ้าหากว่าสิ่งใดที่ไม่มีวิญญาณครองแล้วก็มีแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นเองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นแหละอย่างเช่นต้นไม้อย่างนี้นะมันไม่มีจิตครองอ่ะ มันเกิดขึ้นด้วยเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเน่ะ <c oughs> ดังนั้นการเจริญภาวนานี่นะเมื่อกล่าวโดยใจความแล้วมันจึงอยู่ที่ว่าเราพยายามทำใจให้ตั้งมั่นนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากปากันจำเอาไว้ <c oughs> ถ้าว่าไม่สามารถจะทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้ว มันจะไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแต่ต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมานั่นเลยเมื่อมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วจิตมันก็ต้องวันไหวไปตามอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเกาะต้องคล้องอยู่ในโลกนี้เมื่อเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายสวยร์สุขเสวยทุกข์อยู่ในโลกนี้ ไม่รู้จักจบจากสิ้นเหละแต่เมื่อสรุปลงแล้วมีแต่ทุกข์สุขนั่นเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้นเองหมายถึงความสุขในโลกนี้นะมันเป็นเพียงเหยื่อล้อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้นเองนะนี่จะจริงหรือไม่จริงอะ่ะแล้วแต่ผู้ฟังจะไปพิจารณาเอาเองอะ่ะตรงนี้อะ่ะ แต่ถ้าหากว่าผู้ใดมารู้แจ้งยางดังกล่าวมานี่นะเช่นนี้แล้วนั้นไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวแต่เราอาศัยความสุขชั่วคราวนี่แหล ะ, สะแสวงหาความสุขอันไพยบุญอย่างที่เราได้อัตภาพร่างกายซึ่งบุญกุศลต่หนนหลังมาตกแต่งให้ มีอัยะร่างกายสมบูรณ์พูนสุขโรคภัยไม่เบียดเบียนเช่นนี้เราก็ชื่อว่ามีความสุขอยู่ในขั้นหนึ่งนี่เราอาศัยร่างกายอันแข็งแรงนี่แหละมาทำความเพียรทำความดีต่างๆเริ่มแต่การให้ทานนนมาอันบุคคลผู้มีร่างกายสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงแล้ว จะไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรมาทําบุญให้ทานก็ไม่ได้เลยอจะรักน้าศินก็ไม่ได้จะนั่งสมาธิภาวนาจะไหวพระสวดมนต์ก็ไม่ได้คนมีร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเอาอย่างนี้นะทําความดีอะไรก็ไม่ได้นั่นลองสังเกตดู นี่แหละพระเจนั้นจึงว่าไอ้ความสุขทั่วคราวนี่น่ะผู้ใดรู้จักใช้แล้วก็ได้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างมากมายทีเดียวออเรามีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนนะเราก็ทําความดีได้เต็มที่เลยวันนี้ขยันหมั่นเพียรทําการทํางานรวบรวมเงินทองเข้าของได้มาแล้ววันนี้ แล้วก็ใช้ใจ่ายเงินทองนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปนี่สำหรับผู้คลองเรือนนะผู้ไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวที่นี้ผู้ติดหมายความว่าเมื่อตนได้อัตภาพร่างกายอันนี้สมบูรณ์มาแล้วเกิดหวงเห็นร่างกายอันนี้ ไม่อยากใช้ร่างกายอันนี้ทำการงานกำพนทนแดดหนักไม่เอาเบาไม่สู้ขอาไปอย่างนี้นะอยากจะหาเงินในทางลัดเอาไปหาเล่นการพนันขันต่อไปหาหลอกลวงเอาเงินทองกากคนโง่คนเขาอะไรหมดนั้นมาพอได้ใช้จ่ายไปวันวันอะไรจะทํานองนี้นะ เช่นนี้ผู้นั้นนั้นย่อมไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายนั้นให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เกิดมีได้ก็จะไปใช้แต่กายวาจาใจอันนั้นทำแต่ความชั่วใส่ตัวเองเรื่อยไปเพราะคนเกียจคล้านทำการงานแล้วมันก็มีแต่ไปทำทุจริตนั่นแหละไปลักไปช่อไปโกง ไปหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้ด้วยความยากลำบากนั่นมาเลี้ยงชีพตัวเองไปในที่สุดก็ถูกเขาจับฟ้องร้องติดคุกติดตารางได้รับทุกทนทรมานไปทำให้อายุสั้นลงไปชีวิตของผู้นั้นก็อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรง ม, มีแต่เสื่อมโทมลงไปเรื่อยๆ ไม่มีจัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นต่อไปได้นี่พูดถึงเรื่องบุคคลผู้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษมากมายดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าไปติดอยู่ในความสุขอันชั่วคราวนั้นเลยเมื่อได้อัตภาพร่างกายนี้มาบุญกุศลตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขแล้วอย่างนี้ เพิ่งใช้ร่างกายนี้ทำความดีเข้าไปทำการทำงานเข้าไปรูปรวงเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็อย่าไปหวงเห็นทรัพย์สมบัติอันนั้นไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหวงไว้แล้วเผื่อว่าตนตายลงอย่างนี้ทรัพย์นั้นก็เป็นของคนอื่นตนไม่ได้ชักไม่ได้ใช้สอยทรัพย์นั้นให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเลย อนตายไปข้างหน้าก็มีแต่ทุกข์ทนทรมานเท่านั้นเองเพราะไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เป็นที่ระลึกในจิตใจของตัวเองเมื่อเวลาจวนจะตายลงนึกถึงความดีอะไรก็ไม่เห็นเพราะว่าตนไม่ได้ทำไว้เลยอย่างนี้น ะ, ะเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ได้รับความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจไปในโลกหน้าต่อไปเท่านั้นเองผู้ใดได้ทำความดีไว้ในโลกนี้แล้ว เมื่อเวลาจวนจะตายมานึกถึงความดีที่จนทํามาแล้วเออที่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีกําลังดีอยู่เราก็ได้ประกอบความดีต่างๆตั้งแต่อย่างต่ําจนถึงอย่างสูงให้เต็มความสามารถมาเต็มที่แล้วบัดนี้สังขารร่างกายนี่มันหมดเขตของมันแล้วหมดบุญเก่าที่เราทํามาแล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วพงเสียเถิดวางเสียเถิดอย่าไปอะไรมันเลย เมื่อตอนเองสอนตอนเองไนดะ้เอมันก็ปรงได้เลยแบนี้ไม่เศร้าโศกเสียใจกับอะไรแล้วเพราะว่าตั้งแต่อดีตตกลงมาแล้วตนก็ได้ทำกิตที่ควรทำมาเต็มที่แล้วบัดนี้หมดโอกาสที่เราจะทำอะไรต่ออะไรไปอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ปรงสังขานนั่นลงสารวมจิตของตอนให้แน่วแน่ลงไปไม่หยึดไม่ยึดไม่ถือไม่ ผูกพันกับสิ่งใดๆที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดีที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ดีไม่ทรงใจไปผูกพันกับสิ่งใดทั้งหมดเลยกำหนดรู้แจ้งอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านี้แล้วตายไปก็นับป่าผู้นั้นโชคดีเหลือเกินดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้